Book 2 5ห้าสิบห้าการทำงาน d ด r รบคุณทำอาชีพอะไรคะค่ะยูสดอรบิร์กคุกียูสุดปรฟสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ Mano v i r a s กีดิ t o อัสดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงอ i r b u p o s บ d i เพสเดียนอ i n ม s ิซโนเซ i ซริเมอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญนัทรูกุสแมสเกาสเมเพนเซียแต่ภาษีสูงมากเบดโมกิช i d ิเด และค่าประกันสุขภาพก็สูงเวคาตัวสดรูดเมัสติปัตดเลัสหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตคเกียปรเฟเซีตโนริรนกตสหนูอยากเป็นวิศวกรอชโนริเอชูบูตินเจเนีร์สหนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ดีทตดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัดอชอสตร์ดิฉันมีรายได้ไม่มากุดิดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศอชทลีก p ปรักต์กาอุซีนีย นี่คือหัวหน้าของดิฉันเตมานวอรชินิงคัสเชฟสดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอัชตูรุมมาลูนัสปนระดาบัสเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรองอาหารเสมอเปเดียเปียตุสแมนสวิสโซแมตเอนะเมอิวลกีกละดิฉันกำลังมองหางาน อาชีพสกูดดารบุ่มดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วอาชีพแมตเตอสุดดารบสุสที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากชัวเชลีระเปอร์โดบดารบุกรุณาไปที่ w w w b o o k t d e